ไม่มีเครื่องขยายปรากฏว่ามีโยมหลายคนที่ที่ว่านี่คือของจริงเขาบอกว่าการใช้เครื่องขยายูดียงเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบมันไม่สัมผัสกับธรรมชาติจริงแม่คำเสียงที่ออกมาดังๆไม่เป็นธรรมชาติ ทำให้ไม่ใน ต, ตัวเขาก็ไม่สู่ธรรมชาติได้ถูกบังคับในเสียงอาต่างๆเสียงก็ไม่ใช่เสียงธรรมชาติเป็นเสียงที่ปุงแต่งไปเทียนไปเขาบกบนี่คือของจริงนี่คือของจริงย่าชนคนนั่นเขาเป็น เพราะทางตอจังหวัดเขากระเสียงเข้ามาปวกบ้านอยู่ในป่าเขาชอบป่าชอบธรรมชาติแต่บ้านเขาก็ยังงงใบตองมีป่ามีเห็ดมีอะไรต่างๆในชาบวบ้านจะ ข, ขอจิตเห็ดจะขอจิดนัก ถามพ่อขอเจ็บสมอขอเจ็บผักแล้ชายจบึงสูงเทงนั้นมาขอสร้างมานให้พ่อพอก็ม่อยอมให้ลูกชายสร้างให้เวลาลูกชายพาเพื่อนมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมบ้านก็นั่งอยู่ใต้ต้นต้มไม้และต่างๆนี่คือธรรมชาติ เอาไปสั่นปาตองเขาก็ออกสั่นปาตองเป็นเอกลักษณ์เอาไปตองมงเอาไปตองทองาํางฝาแล้วรถจักรยานเขาทั้งแต่ครบประนัี่เรียนก็ทำงานเขาจอดไว้ทีถ่ถนนบ้านยังไม่อยู่ยังใช่เราอยู่ โดท่าทางเจ็ดสิบแปสิบีแฉงแรงอันนี้คือธรรมชาติที่มันช่วยชีวิตเราได้เราอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกสู่ธรรมชาติได้ดีกวามหลัก็ไม่ค่อยจะมีใน้เช่าตื่นขึ้นมาตีสามวัดได้ร้อยสี่สิบหกสิบสอง ห้าสิบสองจะเีว่าปกติยังไม่ได้จินยาถ้าจินยาแล้วก็ไม่ถึงร้อยยี่สิบสามสิบกนธรรมชาติช่วยเรานอนโอเกาะตาธรรมชาติรับธรรมชาติที่กานอนสนามสนูสน้ให้เราได้ อิสราภาพจากภายนอกไม่มีอะไรบังครับยิ่งเราไม่ธรรมชาติภายไหนนี้สติเป็นรูปตุ้มไม่สู่ธรรมชาติก็ยิ่งจะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นสยามกอบโอยเอาสงกรอบกับธรรมชาตินะดูดดื่มธรรมชาติ้นะดดดรรตได้ได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 ก็ยิ่งเป็นลูกผู้ใหญ่ดึงลงมาสู่ปกติธรรมชาติภายในเมื่อสู่ธรรมชาติภายในมากข้ากม็มันมีหลายปุงเถื่อนที่ผิดเพี้ยนไปถ้าไม่มีสติเป็นธรรมชาติซึ่งแปรร่ภายในตอนก็เดึงไปหูก็ดึงไปจมูกด้วยก็เใจก็เดึงไปหน่อยหน่อย ก็ขาดแผนรมชาติไายในเราจึงสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาอาศัยหลักกรรมฐ า, านตอนด้วยเจ้าสองสอนสอนเอาไว้อาศัธรรมชาติลหลายส่วนม า, าทุ่งเทศาวงรูปสิกตัวสติสัมปชัญญะกานเคลื่อนไหวกวางคิดต่อใจ ตอหูจะหมกด้วยให้เดินลงมารวมกับธรรมชาตใาิให้มันมีพลังให้มันงดงามได้ไหวอย่าให้มันแบ่งไปคนละอันแล้วต่อถูกแบ่งก็มีตาตาตาไม่เดินมาให้เป็นความรู้สึกรวมจะแบ่งไปวิธีที่เดินมาคือกรรมฐานนี่ถ้าเรามีสติไปในกาย ก็จะเดินมาละลายหยางพร้อมกับฝ่าความชั่วทำความดีไปนในตัวเสร็จสมบูรณ์แบบที่เป็นธรรมชาติเข้ามาสู่ความปกติของชีวิตเึียงพยายมอย่าให้สูญเสียเวลาเรื่องนี้กับธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในให้มันคุ้นเคย ก็ไม่มีธรรมชาติไปในคุ้นเคยแล้วก็ธรรมชาติภายนอกก็ไม่เต็ม้อยช่วยไม่ค่อยได้ดีไม่ดีก็งูไปเลยอยู่ป่าก็พราะงูอยู่ปา่ปาเพราะเกลียจข้ามอยู่ป่าเพราะไม่มีปัญญาก็ไปแบบนั้นเลยเราอยู่ปา่าแต่ธรรชาตินี่มันได้ประโยชน์ แต่ธรรมชาติหลากก็เสียไปหมดแล้วยงสัตว์สาอเลงไม่ค่อยมีทุกวันนี้แต่ก่อนมีนะเส็มไปหมดเสียงสัตล่องกลางคืนบางทีก็ยังเห็นมามาเล่นด้วยกับเราด้วยหนูแข้งกเน้นกดิ้น พวกเนี้ยหายเฉียงเกินพวกเห็นพวกจำมดบา g ทีก็ไม่กลนไม่เฉียงรอกนอนอยู่นาเียงอีของกอยกอยกอยกอยอย้มันเห็นอุมบาีก็องแ้งแล้วแแงแล้ว แล้วแล้วอย่างนีพอจะแล้วกัคนฟังหลอกๆแก้วมันคนมาเรียกที่จริงมันไม่ใช่ล้วก็มาลองใส่เราใกล้ๆจริงๆแล้วก็สังเกตดูมันคืออะไรลิ้นตี้ยลิ้นนาเท่ั้นแต่ตัวใหญ่นว่าอะไรหล่ะมัก็มาเป็นเพืนทีก็ริ่นมาเป็นเพื่อนนิ่นลิ่น ภาษาอิสานว่าลิ้นภาษาจางว่านิ่มไม่ใช่นิ่มนะนิ่มชื่อนิ่มไม่ถูกต้องมันไม่ใช่นิ่มนะเจ็บมือนแข้งเหมือนเหล็กนะลิ้นเนี่ยนอนหันหัวเสียกอไผ่มันอ่ะหันมาทุ่งหัวโลดเดน่าจะต้วงูมอกัดหัว ถอนหลังบางหางเดมาเจอเราเราก็หัวก็ชนกัอแต่นมงตว่าเอาขอนถอนมมาันติดกับอมันไม่ออกกันได้หากันมได้ได้มันมว่างูมอกอนั่งดูลกนนั่งแต่กก็นอนอยูุ่๊ปุ๊ปุ๊อ้าว อะไรมาการหัวเนี่ยยังไม่ฉายฝไฟมันชอบฉายไฟปวด่าปวดตาดูฉันตรวจดูก่อนมันคืออะไรลุกขึ้นดูก็เห็นตัวดำๆแต่มันเบริหางมานึกว่าโครงหมูมาดมา ก, ากัดเดากระคำหัวดูก็ไม่เบริไม่มี อ, อะไรเจ็บปว ด, ปดวันนี้ก็ มันเดไม่เหตุไม่ถูกเ ร, เรานั่งอยู่แล้วเ้าก็เต้นขึ้นไปเวลา ม, มันเต้นขึ้นใบไผ่เขาจึงรู้จักว่าเปนเป็นลิ่ น, น, นไไงานที่เว็บเต้นใบไผ่แล้วก็ก็ลงมาพอลงมาเหตก็ตามลงไามันหันก้นลงมาเอาหางเดใส่เราเราก็เปิดมุ้งออกจับหางในมุ้งจับหางมันได้มันโคดเข้าไปมันก็โด หางก็ดึงไม่อยู่เลยเปิดมุ้งออกจับมันมาวางไว้เวลานั่นใกล้ทำวัดไม่เห็นเลื่อยเราไม่ได้จะตกมันไปจะกดอยู่อ่อนล่อนหน้าแสงการเฉิดก็ใส่ทำวัดเอาไปทำวัดก็อุ้มไปด้วยวางไว้บันไดอย่างนี้เว<ม>ลาอากาศสวยก่อนมันก็บันไดขึ้น ไอาถุนก็ว่าต่เนหัวทำวันลงไปแล้วก็อยู่น้าเป็นของอะไรวางอยู่กลมๆเหมือนกับอะไรก็ไม่สนใจทำวัดเตะทำวันมาม่เ็เลื่อยออกทานมาลุกวนก็โตแตกเลยตัวอะไรตัว้อยตัวอะไรแล้วก็ทำวัดเฉยตอก็วัยว่าเราไม่สนใจเพราะเราู้ว่ะมันเป็นริมที่เราจับมาวางไว้ มันหยอกนะก่อนนะทำมันชาสมัยก่อนนะตอนนี้ก็เงียบแต่แล้วเสียดายจอดตางประเภทหนะังกินคืนจอบตามปพะเหนะ น, นังกนะินกางวันแต่ก่อนสอดจปลาพวกช้างพวกหวางพวกหมูเ น, นี่ยหาชิ้นกลางวันแต่คนไม่มากพอคนมากขึ้นก็หาชิ้นคืนธรรมชากิ น, นี้หมดแต่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยสนุกนนเหมือนก่อนที้เจออากาศเยน็นเย็นเงียบเงี ย, น, งย น, นอนแล้วจึงจะยอมให้เป็นเกือกธรรมชาติฝ่ายนอกฝ่ายในน่าได้อาศัยธรรมชาติฝ่ายนอกมาฝึกฝ่ายใ น, ยนได้มันคิดไว้มากอบอก ตัวเองะดูต้นไม้ก็ดูนอยู่นี่ทั่วหน้าตาปีเขเห็นเดือดร้อนอะไรแดดมาคนยืนอยู่นี่ผลหมาก็ย็นหน่นี่เรามาสอนตัวเราก่อนเห็นบ้างแล้วเรานี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ปต้องประเสริฐต้องดีกว่าต้นไม้ก่อนเห็นนี่พัฒนานได้อะไรไม่ดีเรารู้ได้อะไรดีเรารู้ได้ ถนัดตัวเองทำวิาชากรมฐานเรียนกองตื่อของเข่าไปก่อนตู้ฉันเข้าเย็ดสันออกตู้สันเข้าเย็ดฉันออกรู้จักตัวเหมือนเราไปเรียนังตือตดูกดดานมือหัดเขียนชินเข้าชินเข้าก็เขียนได้รู้จักจำได้ติดกันได้ อ๋อตาคนมันพัฒนาได้ตัวหนังสือมาเป็นทมพูดมนเป็นภาษาเขียนสื่อสารกันได้รู้ความหมายรู้เรื่องรู้หลอมบอกสุดบอกทูกเรามาเปิกชีวิตของเรานี่ก็เช่นเดียวกันออไปเมื่อเึกที่แรกก็เหมือนกับเรียนหนังสือชนันอนุบาลให้ประถมอ๋อ เอาสวยชวนมากรอกดูต้องสัมผัสดูเฉยๆไม่สัมผัสกทำห้เป็นออกการเขียนยังไงทีแรกม่กจะเขนพรจะเขียนหนนวันสันพอหัเขียนไปเช่นคามก็คงเปนคงเป็นเขียนเป็นเขียนสวยเนลูกเขีนถูกด้วย การฝึกตนสอนตนนำวิชากรรมาฐานก็เหมือนกันมิสติภายใกายอาศัยการเคลื่อนไหว้พรมันหลงกัลูกเพราะมันเคยลูกอยู่แล้วมันก็ต้องเห็นตัวที่ไม่ใช่ความลูกเกิดขึ้นกับสายกัดใจก็ได้ใช้ความลูกไปเฉลยจึได้กเห็นมันหลงเห็นมันหลงนเนี่ยด้แล้ว เหรินหลงไปไม่หลงเนี่ยแสดงว่าเรื่องชั้นนอกจากนุบานได้แล้วเป็นมัทธยมไปแล้วเหรมันหลงให้เป็นผู้หลงพอกจากความหลงอาจจะเป็นชั้นอุดมไปก็ได้สํานานมากขึ้นสํานานมากขึ้นเลยจบบาเรื่องเลยจบเรื่องที่เคยเป็นมันก็จบได้มีแต่ลู่แต่ลู่ไป วันคนมีปัญญาไม่ใชปัญญาได้ต้องถืออะไรตัวทำมาหาชิมวันคนมีปัญญาทำงานในปากกาเล่มเดียวปักกระเป๋าเชื่อไปอหาชินได้แต่คนไม่มีปัญญาก็เอาใส่รถไปมีเลื่อยมีคม้อนมีอะไรต่างๆ ผลไปที่จะทำงานได้ตอนมีปัญญาทางปริญญาทางจิตปัญญานี่มันไม่มีอะไรมันก็อยู่ที่แล้วยึงไม่จาเป็นต้องพลุงทะล่องทาระหนักไม่ต้องไปคิดไปอ่านเอาเหตุผลเขียนขีด ม, มันเต็นแล้วมันเต็นแล้วมันมาอะไรก็เต็นแล้วมันก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว รู้เดียวในโลกนี้ในกายในใจรู้ทั้งหมดไม่มีคาว่ายทำไมอะไรไม่ตัดไตหัวเลร่องให้กับเรื่องที่เกิดกัตากับใจเ่าได้แต่เป็นสุขปนทุกข์กับเรื่องที่เกิดกับตากับใจเราไดเคยคิดเลือดหาเรื่องที่เกิดกับตากับใจเพมนรู้แลว้วมันโตมาได้ปัญหาพเกเรองทุกข์เรื่องโกรธโลกหลง หังการเรีอนจบก็เป็นอย่างนี้หลังคนนี้ปัญญาลู่แล้วลู่แล้วปัญญาพุทธะนี่มันเป็นอย่างนี้คือลู่แล้วเรียนจากผู้ลู่ได้ลู่แล้วหวนงปัญญาคนัญญาอัญญาสี่อัญญาสี่คือลู่แล้วนะลู่แล้วนะพระเจ้ า, าอุทธรน์องมา อ n j a s i bhutapokon tanyo anjasi bhutapokon t รูแล้วเนารูล้วนอรูเล้วนอะรูแล้วเนรูแล้วรูแล้วรูเล้นี่อะไรเกิดกับกาเกิรูแล้วโ้ตนแก่คเก็บคนตายก็ร vere, vere, ูแล้วตัวรูวาวาจะรูแล้วเนี่ยแล้วไปแล้วไม่ได้มีการมานมันมีมานมีภัยอะไรบาคนเียนจบ ปิญญาแล้วตอร์ชำนันในความว่ารู้แล้วที่มเาเกิดกับตากับใจนี่ไม่มีอันอื่นเกิดขึ้นมาอันเรื่องเดียวเท่านั้นแม้ว่าชิเลตปันห้าตนาร้อยแปดแล้วก็มีเท่านี้คือรู้แล้วเท่านี้เราจึงจ้องเรียนนั้นเรื่องหนึ่งไม่ใช่ไม้แต่เรียนไม่ใช่แต่การเรียนจากผู้รู้มักอยู่ในตัวเราเองผู้รู้มันอยู่ที่หน่อยไเหมือนเดียนหนังสือ ผู้ลู่ต้องเป็นู้ยืนหน้ากระดอนนี้เขียนเราต้องดูกระดอนในคำพูดให้ฟังแต่ว่าผู้ลู่ที่เป็นพุทธะนี่อยู่ในตัวเราประกอบขึ้นมาได้ตกรรมประกอบก็ไม่มีประกอบก็คือกรรมฐานวิชาประกอบให้เกิดผู้ลู่ขึ้นมาเลยชีวิตเราเั็นตัวประกอบกรรมคือการประกอบขึ้นมาฐาน ท, ที่ตั้งการกระทํา ก่มาจับแต่แม่ตัวเองจะเลิกคู่แข่ขงเข้าหยืกแขนห น, โนโอกอาศัยกายอาศัยนิมิตอาศัยกายเป็นวัตถุประกอบเป็นนิมิตทางานประกอบขึ้นมาแต่ไม่เป็นแล้วเพาต้องอาศัยมันตายเลยเมันมีความรู้แล้วอาศัยที่อาศัยกายอาศัยจิตใจที่ทเป็นตัวรูปนนามให้ถึงที่ตั้งความรู้ที่เลิอกเอง แต่ก่อนมันไม่อยู่ตั้งความรู๊ไปในตั้งที่การที่จ่ายเป็นหลัเป็นงานของเราพร้อมหลงตั้งไว้ก็ได้มันใช่คิดมาสี่สิามสิบปีใช่คิดมามันก็มีอะไรหลายหลายอย่างสองชนปลาเทียนโดดกรกความรักความหลงจิดตัง้งเหรอ ความรักความทางความพอใจไม่พอใจอาจจะอยู่ก่อนความรู้จากตัวมากอาจเป็ น, นความหลงไตรมาส ก, กว่าความรู้ด้วยขอไม่เคยฝึกพอมาเฝึกก็ได้สอบการได้บทเรียนจากทิ่เหล่านี้ว่าที่ทุกข์แท้เนี่ยทําไมเป็นพุทธเจ้าได้แต่ถ้าไมเฝึกทุกข์ก็เป็นทุกข์ หลงก็เป็นหลงกูก็เป็นโกดถ้าฝึกแล้วหลงก็เป็นหุทธะลูกขึ้นมาอะไรก็เป็นลูกขึ้นมาก็ได้ประโยชน์จากจุณณีอย่าไปถือว่ามีปัญหาให้เป็นสูตรด้วยจิตก็เอาแล้วก็จอมเป็นหลักสูตรทั้งการลู้ทั้งนั้ น, าน ก, การจู่การชินอาหารการชินเป็นสูตร สูตรความรู้ออกมาเป็นหลักสูตรให้เกิดความรู้วงมรู้ที่เป็นพุทธะนี่มันเป็นสูตรทั้งหมดในการในใจเรานี่เมื่อได้ไปเรียนที่ไหนหลายอย่างเป็นหลักสูตรแห่งความรู้อาหารการกินที่วัดาสายเครื่องนุงหม่มกานไตกันมาที่เด็ตัณหาราคาโกรโลกหลงเป็นหลักสูตรแห่งความรู้ จะให้เป็นอื่นไปผู้จัดสรรต้องทำหน้านี้นี่เราจัดสรอยู่โดยสอนะนีะ่นักปฏิบัติถาม ว, ว่านี่หนูมันเป็นไรลนะมันพุ่งซ้อนมากที่สุดเอาไปเดือดร้อนอะไรล่ะนั่นแหละทูแ่แขงเราไม่มีความพุ่งซ่านก็ไม่มีความสงมบ นั um galaxies, player, ่นแหะไม่ใช่ตัวเราดอกนั่นแหละไม่ใช่หนูเป็นผู on ้พ <t ark> ุ่งสั้นนั่นแหละมันเนาการเกิดกับจิตใจคิดมากนั่นแหละนั่นแหละคู่ซบคู่ซ้อมนั่นแหละบทเรียนที่ดีประสบการณ์ที่ดีแต่มันพุ่งสั้นลงไปจะได้รู้มันเอามว้สงบก็จะได้รู้มันหวานชูก็จะได้รู้มันมันทุก็จะดรู้มันเรื่องสุทั้งหมดก่อนสร คู่ลูกาวะที่ลูกนีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมันได้ไปเอาอันอ่นมาแฉ่หันก็นเจ็บค่ได้ป่วยจนโลกนคนเราเชื่อคนละยาคนละขนาดกันแต่ว่าศึกษาเรื่องพุทธะเนี่ยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนไม่แต่ลูกคู่ลูกทั้งนั้นาที่เห็นในพบอยู่ในตัวเราเนี่ยพย า, ายามใช้ชีวิตให้มัน สอดท่องกับธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยนี่แล้วก็พยายามเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันให้ช่ธรรมชาติเอาต่างๆที่เกิดขึ้นมาลงที่ตรงนี้มาลงที่ตรงนี้ลงที่ภาวะที่ดูให้วางไว้ให้ปกไว้ให้หมาดไว้ปลูกไว้ปลูกพืชโพธิคือภาวะที่รู้นี่ ออล่ลงไปธรรมชาติโล่งไปธรรมชาตินอกตัวในตัวโพธิ็นหน่อต้นกล้าโอกลงไปโผล่งไปไม่ก็จะต้องงอกงามขึ้นวันใดวันหนึ่งเป็นโพธิปัญญาแห่งการตัดสต่งมันรู้ถามขึ้นมาเป็นหบทเรียนจากที่สิ่งไม่ดีอะอยยาไปเอาเันเ ป, นปหน้าไปจากอะไร ย่าว่านูเบียงนะหนูเบียเ่ยงนี่ชีวิตน่ะจะไข้ได้ป่วยฉุกภาพไม่ดีไม่เกี่ยวเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวคนแจกคนเท่าไม่เกี่ยวเลยผู้รู้มีทุกโอกาสกับชีวิตรเราที่มีรูปมีนามนี่ถ้ามันไม่มีรูปมีนามมันไม่มีผู้รู้จึงปูกลงไปมาต่อยอดขงฝ่ายจะให้อาจารย์ต้องมีผู้นำพา การศึกษาแล้วนต่างๆตัวเราเนี่ยแะเป็นตัวหนึ่งที่จะต้อ ง, องทุม่มเทมาสืตัวเราในคนทจะพูดใหลายวิธีกรรมต่างแล้วก็คือตัวเรานี่วางได้รู้ได้ควรเทียนมาทุกอย่างได้ยินเบ่